ขอนอบนอบ้อมคุณวัตนาไตยและกาบขอนำอัการหลวงพว่อกรมอาจารย์อาจารย์สุรินแลวก็อาจารย์หลวงพี่โก้และก็เพื่อนสาธรรมิศและเมชีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านลงมือครับอาตอมาก็เป็นพระที่อยู่ที่นี่ก็หาภรรษาแล้วครับ ได้พูดวันนี้ก็รู้สึกเป็นความที่ว่าดีมากนะครับพอพูดมาได้พูดมานานแล้วก็ขอแบบพูดแบบสบายๆกันเองนะเสียงก็จะดังหน่อยเพราะว่าเป็นคนเสียงดังคือทําอะไรก็ต้องทําจริงคือพูดคําไหนก็คํานั้นนั้นนะก็ก็ดีใจนะอาตมารู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่ก็ ถือว่า ม, มันมีความสุขพอเห็นทุกคนก็มาปฏิบัติธรรมกันไม่ว่าจะเป็นผ้าที่อยู่ประจําแล้วก็เป็นญาติโยมที่เข้ามาที่นี่ก็มีข้าเข้าออกมีใหม่มีเก่าที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อาตอมาก็พรรษาที่ห้าก็มาอยู่ที่นี่ที่วัดป่าสุขโตตั้งแต่ปี ห้าสี่ที่อยู่มาได้ก็เป็นบุญนะเพราะว่ารู้สึกว่าบางรูปก็ที่บวชมาด้วยกันก็ศึกไปก็มีที่อยู่ก็มีอาตมามีมีอาจารย์ออสมีมีหลวงพี่หนุ่มที่อยู่ที่นี่ประจำก็อยู่พรรษาเดียวกันก็เ ห, นเห็นหน้ากันประจำ ทำมาจริงก็ไม่มีอะไรที่จะพูดก็ต้องขอชื่นชมนะเพราะว่าขอชื่นชมขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลหรือญาติโยมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์อุปถามาดูแลหรือว่าจะเป็นพระเป็นกัญญาณมิตรเป็นกัญญานธรรมช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติ แล้วก็ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเราเห็นหน้าแล้วก็มีความสุขนะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มในบุญอิ่ ม, อ, มอิ่มในธรรมเห็นแล้วก็เกิดปิตินะอย่างมองจริงๆก็อย่างถ้าเราดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ก็ตอนนี้ก็มีหลวงพ่อกรมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระ ที่สามารถที่จะเอาเป็นแบบอย่างหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นแม่ชีเป็นญาโ ย, ยมอย่างอาตมานี่เห็นนะครับคุณยายเนี่ยโหได้มาทำบ้านสวดมนต์กันทุกวันทุกวันนะอาตมาก็รู้สึกก็มีความที่ว่าจะต้องต้องทํทาทให้ได้แต่บางทีอาตมาก็คงทําไม่ได้หละเพราะว่าหลังๆก็มีไม่ทําบ้างอะนะแต่ก็ ช่วงบวชแรกๆนะมันก็ขยันนะนมันก็เหมือนกับพระที่บวชใหม่แหละขยันอยากจะต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นประจำยิ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องขอชื่นชมกับพระที่ว่าเห็นก็จตมาพอดีไปทำเตรียมสถานที่ที่ว่าจะสร้างกุฏิพอดีเห็นพระที่เขามาเก็บขยะที่สาระไก่ต้องขอชื่นชมขออนุอนโมทนา อาตมาก็เห็นหลายวันก็ว่าจะเก็บมันกันก็เห็นพาก็ไปเก็บขยะก็ถือว่าเชิญชมขออนุโมทานาบุญด้วยเพราะว่าวัดเรานี่เป็นวัดที่ใหญ่ขยะก็เยอะการดูแลเรื่องขยะนี่ก็สำคัญเพราะว่าเราดูข้างนอกนี่ก็เป็นขยะที่ภายนอกเราก็เห็นแล้วก็ต้องทาขยะภายในก็คือจิตใจเราเนี่แหละเพราะว่าเป็นกินเลสกิเลสที่มันสะสมแต่การที่เราจะ มีการแบบคาดแยกต้องมาจากข้างนอกก่อนเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหยาบๆที่เราจะต้องเห็นว่าบางครั้งเราเราไม่ทำนะ่ะเรามองดูแล้วมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเราเห็นขยะข้างนอกเนี่ยมันเห็นแล้วทำก็มันก็ขึ้นอยู่กับภาวะที่มันเกิดจากจิตใจใภายในสาคัญตรงนี้ก็คือมันเป็น uh, การปฏิบัติคือปฏิบัตินี่มันไม่ไดไห้หมายถึงว่าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบ แต่เป็นการปฏิบัติธรรมมันคือทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบอาตมาจริงๆแล้วไม่อยากจะเป็นการพูดบอกหรือว่าสอนเพราะว่าตั้งแต่ละคนนี่ก็ถือว่ามีธรรมา ก, กันทั้งนั้นนะมองดูแล้วก็เห็นผู้มาปฏิบัติธรรมนี่ก็คนที่เคยมาก็ยังเห็นอยู่ที่ว่ามาประจำนะว่างาน ตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่นะจนทุกวันนี้หลวงพ่อได้ได้ละสังขารไปแล้วก็ยังมีมีมาบ้างคนเก่าที่เคยมาคือยังมีความมองดูว่าวัดป่าสุขโตนี่มันให้อะไรเรามันให้อะไรเราบ้างถามว่าถ้าเรามาปฏิบัตินี่ ถ, ถ้าเราได้ได้ได้ทำะนะเราก็จะได้แต่ถ้าเราไม่ทำนี่มันก็ไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำคื อ, อการที่เราพูดนี่ถ้าเราไม่ทำนี่มันมันจะไม่ได้อะไรก็คือการพูดมันก็คือลมที่มันพัดผ่านไปมันก็ผ่านไปรับรู้รับฟังแต่ไม่ปฏิบตัติไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวเขาพักพูดไปก็ต้องพักหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดก็คิดไม่ออกเหมือนกันไม่รู้จะพูดอะไร ก็คิดกับสิ่งที่มันผ่านผ่านมานะได้เห็นอย่างญาติโยมนี่เคยเห็นนะอย่างโยมแม่อะไร แ, แบบแบงกนะ์อะไรนั่นแหละก็เห็นนะเออยังกล่าวมาอยู่เคยไปเจอกันข้างนอกนะก็ทักทายกันนะโยมเพราะว่าไปเจอรู้สึกดีอย่างแม่ชีนะหลายๆรูปอันตรามา ก, ก็ได้ไปวันตอนช่วงพรรษานะมัได้ไปทํางานทําอะไรถือว่า ได้ไปช่วยเหลือนาะงงานที่ภายในกุติกนะก็บอกได้เพราะอาตมาก็คือใครบอกมาปุ๊บทําเลยต้องไปทําเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามองเราแล้วว่างานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้ทําเหมือนบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ไม่ทําไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจบางครั้งทําแล้วก็ถึงมันจะมันจะดีไม่ดีต้องทําให้เต็มที่ทําให้ ถึงที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกว่าให้กับผู้อื่นคือประโยชน์ท่านประโยชน์เราเราได้เกื้อกูลได้ช่วยเหลือผู้อื่นแหละเราจะมองว่าสิ่งสำคัญว่าหรือเปล่ามันก็สำคัญหมดแหละทุกอย่างสำคัญหมดถ้าเราต้องตระหนักนะเห็นก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะโยมก็สุขภาพ ตอนอาตมานั่งสวดมนต์เสียงก็ดังก็ดียินเสียงเมตชีหลายรูปเหมือนกันก็อายรู้สึกว่าช่วงนี้ก็มันเปลี่ยนแปลงสุขภาพก็ค่อยไม่ค่อยดีนะก็ต้องดูแลรักษาเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วร่างกายก็จะค่อยดีสุขภาพก็อาจจะมีเพราะว่าร่างกายมันก็ไม่เที่ยงอะนะร่างกายมันก็เป็นรังของโรคมันต้องเจ็บต้องป่วยมันไม่แน่นอน เพราะเราอยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องดูแลเขามันไม่มีตัวตัวนึ่ง น, นะมันก็ยึดติดไม่ได้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงงานกระถินอยู่เพราะว่างานกระถิ่นเนี่ยมันจะสิ้นสุดหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาไปก็ช่วงนี้ก็จะมีพาที่ว่าเริ่มออกไป ออพรรษาเนาะมันก็ต้องเงียบเหงาบ้างนะเนาะเพราะช่วงในพรรษาเราเห็นกันโอ้โหเต็มเต็มเลยนะพระก็นั่งเต็มศาลาและปีนี้ก็พรรษานี้ก็สี่สิเจ็ดรูปก็มากแล้วก็ญาติโยมก็เยอะมาปฏิบัติามาเห็นก็รู้สึกว่ามีวัดสุกโตนี่พระเยอะโยมเยอะแม่ชีก็เต็มเพราะว่าไปบางบางวัดบางที่นี่ เจ้าวานี่เป็นทุกอย่างเลยนะบางทีต้องทนะําหน้าที่ทุกอย่างรูปเดียวทําได้ทุกอย่างรูปเดียวสองลูปพระน้อยอย่างวันนี้เห็นพระอคันธุกะเมื่อวานนี้พอดีเจอไปที่วานนี้อาตมาไปอบสมุนไพรนะก็พอดีท่านมาท่านก็กนิมนต์ท่านท่านบอกว่าปีนี้ที่วัดก็จะมาษา ม, มีแค่สองสองูปอาตมาบอกโอ้เยอะ เธอนน้อยนะเพราะว่าวัดตอนนี้มันก็ล้างเยอะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีพระบางวัดก็พระเยอะแต่ที่วั ด, วดสุกโตนี่ถือว่าไม่ล้างนะอาตมามองดูแล้วเพราะถ้ามีโยมที่เข้ามามาปฏิบัติธรรมหรือว่าพระที่ว่ายัางยังมาบวชที่นี่อยู่ก็เป็นเพราะว่าบุญบรารมีนะ จะบอกบอกไปว่าก็เป็นข้อหลวงพ่อเขียนหรือว่าพระอาจารย์ไปสารอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปนได้เพราะว่าเทวิญาณโยมที่เข้ามาหรือว่าพระที่ยังฟังทำแล้วยังสามารถรู้สึกว่าช่วยให้ใคลายทุกข์รู้สึกว่าในการปฏิบัติสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่สัปะยะเป็นสถานที่เรามานี่เพื่อมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อจะให้ออกจากทุกข์ เพราะแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีทุกมาหรือว่าไม่มีทุกก็อาจจะว่าทําที่สุดให้มันถึงที่สุดก็คือถึงความพ้นทุกันนะครับพักนีกสักหน่อยโอ้แก้งเนืกอไม่ออกว่าว่าว่าจังได่ไม่ไม่เพียนไม่เพียนยังยังได้ยินอยู่ไหมไม่เพียน เสียงอะได้ยินไหมเสียงดังไหมก็ดีใจนะโยมเพราะว่ามันจะมากจะน้อยมันไม่สําคัญนะแต่มันอยู่ที่เราอยู่อยู่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขอะแหละคือเราไม่ต้องไปมองว่าเห็นพระน้อยเห็นโยมน้อยอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอะมันอยู่ที่เรามาแล้วเราเราทําสิ่งที่เราทําตอนนี้เราได้ทําดีหรื อ, อยังทําดีที่สุดหรื อ, อยังอะไรเงี้ย เราอยู่ก็อยู่กับปัจจุบันอั่นนะอนาคตอดีตมันก็ผ่านไปอนาคตก็ยังมาไม่ถึงคือถ้าเรามองดูแล้วก็สักแต่ว่านะรู้ซื่อไปมันก็จบนะบางครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรคือเรามาทำจริงๆแล้วก็ทำตัวเราเองแหละมาปฏิบัติตัวเราเองคืออยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวนะอย่างอาจารย์ไพศารเคยพูดบอกอยู่อยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนคือเราเราไม่ต้องไปคิดว่า ที่นี่จะมันจะอ้างวางอ้างหวงังอ้างวางจิตใจอะไรแต่เรามีความสงบมีความเย็นเย็นโยมก็ ส, สบายๆนะเพราะอาตมาก็พูดไปสับเพเหตุละไปเพราะว่ามันจําอะไรไมันไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ได้เตรียมมาแหละเพราะว่าถึงเตรียมมาก็คงลืมแหละเพราะว่าจําจําไม่ได้เอาแบบเอาแบบขณะ น, นี้ตอนนี้นะปัจจุบันน่ะนะ เนืกอะไรก็พูดไปตามเวลานะก็โอ้โหนึ่ว่าจะพูดไม่ได้นานก็ปาไปเกือบเกือบจะครึ่งชั่วโมงเลยประมาณสิบนาทีนะยอมไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันพูดก็ไปเรื่อยๆพักสั น, นิดนอยดูใจดูกายนะเพราะสัที่ยที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไร กายเราเป็นยังไงมีสติรู้สึกตัวถ้าเราเห็นกายก็เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นใจเราเห็นรูปเห็นนามมันมีหลายเรื่องก่ะแต่มันก็นึกไม่ออกไม่รู้จะพูดแต่เห็นก็มีพระ ที่มาอยู่ร่วมกันนี่ก็หายหายไปมันก็เราก็คิดดูเือนกันแคว่าเราบวชมาห้าพันษาแล้วอาจจะมายังมองดูว่ามันก็เกินนะนในลักษณะว่าเราตั้งใจจริงจะบวชแค่พันษาเดียวนี่ก็เกินมาถือว่าอาจจะเป็นเพราะอิบในในบุญหรือว่าเป็นเพราะบุญที่เราทำมา มันมีความความความเยืองเย็นในจิตในใจเพราะว่าเรามองดูแล้วว่าการที่มาอยู่เป็นผ้าเนี่ยมันก็ดีกว่าการที่เราจะไปเป็นคาร า, าวาชญายมเพราะว่าการมีชีวิตแบบแบบที่เป็นคาราวาชญายมเราเราเคยผ่านมานะเพราะว่ามันก็วุ่นวายนะเพราะว่าเราต้องดินน้นรนต้องต่อสู้ต้องทำมาหากิน อาตมามองดูชีวิตหลายชีวิตหน้าที่ที่ผ่านผ่านมามองดูคนที่มีครอบครัวพ่าอาตมานี่ก็ไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนก็เลยไม่รู้แต่แต่ก็มองดูคนที่เขามีครอบครัวเขาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มองเห็นเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นทุกข์นะการมีครอบครัวมันเป็นทุกข์เห็นคนตายเห็นอะไรเงี้ยอาตมาก็มองดูนะที่อาตมาม า, มาบวชนี่ก็บางทีก็เห็นเห็นความตายที่มันเกิดขึ้น เห็นความตายเกิดขึ้นยังไงเห็นความตายเกิดขึ้นจากที่เราได้ไปทําทํางานนี้มันเสี่ยงกับการที่เราจะต้องต้องต้องตายอะไรเงี้ยรู้ว่าเรานอนอยู่เนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราจะไม่มีลมหายใจเราจะตายตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองมองคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างนี่เราเราเราที่เรายังไม่ได้ทําเนี่ยเราเราเราทำหรือยัง เราทําถึงถึงที่สุดหรืออย่าง ท, ทําที่ที่เรามองดูว่าชีวิตที่เรามาบวชนี่ถ้าถ้าเราบวชเป็นพระนี่คือตั ว, ต, วตัวอาตมานี่คือมีความคิดในลักษณะตั้งแต่ตอนที่ว่าแม่อาตมาเสียนะก็คิดว่าว่าจะบวชตั้งแต่ตอนนั้นมานะก็ถ้าบวชมาก็ตอนนี้ก็คงสิบกว่าพรรษาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็อาตมาก็อายุก็สามสิบหก คือการอยากบวชนี่อยากบวชมานานแล้วก็คืออาตมานี่บวชมามาครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะบวชในช่วงที่ว่าอายุใกล้ๆ20สกว่าก็เหมือนพระที่เข้ามาบวชนี่แหละคือก็บวชไม่นานบวชแค่15้าวันอันนี้บวชครั้งที่2ก็ตั้งใจว่าจะบวชแค่1น่พรรษาแล้วก็รับกระถิ่นก็ก็จะสึกก็เหมือนที่พระที่เข้ามาบวชบวชนในช่วงเข้าพรรษาพอรับกถินก็จะสึกกัน เพราะในลักษณะที่การบวชที่มันอยู่แล้วมันต่อเนื่องเพราะว่าเราเราเห็นเราเห็นทําในทำนะเห็นทําตอนนี้ว่ามันมันให้ประโยชน์มันให้อะไรกับเราเราถึงได้บวชแล้วเราอยู่อยู่ได้เพราะว่าถ้าเรามองดูว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันก็จะไม่เกิดพอเราทำเราเราเห็นเห็นเห็นอยู่ข้างในเห็นในความรู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสงบ มีมีความสงบเย็นนะเกิดขึ้นเพราะถ้าเราจะมีชีวิตถ้าเราออกไปเนี่ยเรามองดูเราก็ต้องไปทำมาหากินต้องดิ้นรนต่อสู้ไยาจะต้องเห็นความทุกข์เยอะแต่ตอนนี้มันความทุกข์มันน้อยลงนะเพราะว่าม า, ม า, ม, ามาบวชแล้วสิ่งที่กังวลอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็น้อยลงเพราะวั น, ว, นวันหนึ่งก็ถ้าอยู่วัดนี่มันแทบไม่ต้องไป คิดที่จะไปทำอะไรมากก็คือเราทำประโยชน์ในวัดนี่ก็มีกิจวัตรประจาวันนอกานั้นก็คือการปฏิบัติคือเวลาที่เราอยู่ในวัดป่าสุกโตนี่ถือว่าเต็มที่มากเลยนะเพราะว่าบางที่อ า, อาจจะมีกฎระเบียบมีสิ่งที่เราจะต้องทำระเบียบวินัยของของวัดเขาถึงเวลาอาต้องแต่ละครังเรียกรวมแล้วอา่าต้องมาแล้วรวมกันไม่ว่าจะเป็นพระหรือเวย่าโยมจะต้องมา มากรวดมาทําความสะอาดลานวัดรอบวัดอะไรอย่างเงี้ยนะอาตมาก็เคยได้ไปสัมผัสได้ไปอยู่วัดที่ต่างๆที่ตอนที่อาตมาอยู่ในชีวิตนักบวชนะได้ไปเห็นสถานที่หลายๆที่ก็ได้เข้าใจว่าที่นั่นที่นี่เป็นอย่างเงี้แต่เราไม่ได้ไปว่าว่าว่าที่ที่นั่นที่นี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเราไปอยู่ที่ไหนมันถ้าเรามัน มันดีอยู่แล้วนะต้องไงมันก็ดีถ้าเรามองมองในสิ่งที่มันดีอะนะเห็นเห็นดีคิดดีพูดดีทำดีสถานที่ถึงมันจะดีไม่ดีแต่แต่เรามองในสิ่งที่มันดีนะเราก็อยู่ได้ทุกที่เพราะว่าบางครั้งถ้าเรามองโลกในแง่ดีคิดบวกอะ่ะมันก็มีความสุขเรามองมองไปข้างนอกเนี่ยใครเขาเป็นยังไงก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราได้เพราะว่ามองดูแล้วว่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นเราจะเอาเป็นแบบอย่างไม่ในสิ่งที่เราเห็นถ้าเห็นดีเออเราก็มองดูมาพิจารณาเราก็มามองมาปรับปรุงมาแก้ไขแต่เห็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นอย่างข่าวที่เราเห็นนี่ยถ้าเป็นวัดบ้าน น, นั้นะอาตมาบางทีไปอยู่เราก็มองดู อ, อ้าวเห็น อ, อ้าวเป็นยังไง เ, ออเรามาอยู่วัดป่าออสถานที่ก็เป็นแบบนี้ มีผู้คนทำสิ่งดีๆมันมีเพื่อนสิ่งแวดล้อมดีเพื่อนดีมิตร ด, ดีสหายดียงงี้อมันก็เหมาะที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ทำสิ่งดีๆไอสิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีมันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ม า, มาร่วมมาปฏิบัติมาทำสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น บางครั้งเราไปเห็นสิ่งไม่ดีมันก็ต้องแยกแยะนะพะบางครั้งถ้าเรามองดูแล้วเราไปปฏิฆาหรือมองสิ่งที่ไม่ดีของของใครหรือของหรือว่าสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราเห็นแล้วไม่ดีเราก็ต้องวางหมดเรามองอะไรคือวางวางดีและไม่ดีล้วก็วางหมดเพราะว่าเราถ้าไม่วางมันก็จะเก็บอยู่ในใจ น, นะเก็บอยู่ในความคิดความคิดมันก็จะทําให้เรา สะสมในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นขยะเหมือนกันล่ะขยะก็คือกิเลสมันก็จิตก็จะเศร้าหมองถ้าจิตเราเบิกบานนะมันก็จะเกิดความสุขอย่างนั้นดนั้นพออามาพอดีอาจารย์สุรินก็ให้ไปเปิดไปดูอะไรนะอาจารย์พอดีไปเปิดดู youtube ที่อาจาอาจารย์สุรินบอกว่า ของออาจารย์แดงกีตาร์อะไรน่ะอาจมาพอดีก็ไปไปไปเปิดดูองอาตมาก็ก็ดูนะดูก็มองดูเออก็ก็เห็นนั่นในในการเทศการอะไรของอาจารย์แดงกีตาร์อะไรนะเขาจะมีคอนเสิร์ของเ้านะเดี๋ยวอาตมาก็จะจะพูดพื่งมันจะใช้คอนเสิร์ของเขาเาให้ดูว่าเขาจะมีว่าพูดว่ายิ้ม แ ล, แล้วก็ชีตชีแล้วก็ชิตชีเลยนะยิ้มชีตชีตชีตชีตอะไรเงี้ยเขาจะให้แบบว่าหน้าเราอะจะมีความความที่ว่าเป็นอารมณ์ที่ว่ามีความสุขมีปิติเรื่อยให้ให้มันยิ้มแย้มอะไรเงี้ยนะต่อมาก็มองดูเอ็กซ์แฝงบางทีก็หกัวเรากกำค้ำเหมือนกันนะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคือไม่หาเหตุหาผลไม่เอาจริงเอาอะไรคือเราเราเร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆ น, นะ จิตเรวก็จะปล่อยวางบางครั้งเราก็มองเห็นอะไรก็ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะอย่างอย่างที่ว่าถ้าเราปรุงแต่งมันก็จะเหมือนกับหาเหตุหาผลหาดีหาผิดอะไรเงี้ยหาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นเรารู้อะไรเงี้ยมันก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางๆอะนะตอนนี้นก็เวลาก็ เออน้อยก็เดี๋ยวจะขอจบว่าสิ่งอื่นใดที่ธรรมาได้พูดมาถ้ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าจะทำให้เกิดความอะไรที่ไม่สบายใจกับบุคคลอื่นแต่สิ่งที่มันดีและมีประโยชน์มีสิ่งที่มันจะสามารถที่นำไปใช้นำไปพิจารณาหาทางออกช่วยให้เกิดปัญญาคลายทุกข์ และสิ่งใดก็ตามที่ทําไปแล้วพูดไปแล้วหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีดทั้งต่อหน้าและรับหลังอะไรก็ตามอาตมาต้องขอโทษและขอขอบคุณเพื่อนสาธรรมิบรลอญาโยมและญาติธรรมทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญในในในธรรมทุกท่านทุกคนเธอ